ปิดให้ดีๆด้วยเดี๋ยวยุงบินเข้าไปได้จะโดนยุงหามยิ่งพักเนี้ยข่าวไข้มาเรเรียกําลังมาแรงด้วยในหมู่บ้านเราอ่ะเป็นไข้มาเรียไปแล้วคนนึงนะจริงเหรอแม่เองก็จริงนะสิพ่อเองไม่ได้ข่าวหรือไงอไม่ยักบิดใครพูดเรื่องนี้สักคนเลยนี่นะแสดงว่าพ่อเองอ่ะไม่ค่อยสังคมกับผู้ปกครองที่ไปร่วมงานคริสต์มาสน่ะิเนียก็ไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรจะนักล็อกนั Hi ่นแหละ พ่อเองเลยไม่รู้เรื่องมีป้าคนนึงแกบอกว่าหลานยีจย่จันเป็นไข้ม า, ราเรียนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโน่นน่ะโอ้ยไปเอาอะไรกับเจ้าหลานจอมจนของยายจันนั่นเล่ารายนั้นชอบหนีเรียนแล้วก็เข้าป่าเที่ยวหาอะไรก็ไม่รู้แกเข้าป่าหาของป่าไปขายนะสิพ่อเองคนจนก็อย่างนี้แหละไร่นาก็มีแค่กระยอมเดียวเท่านั้นจะไปพอยาไสอะไรที่ไหนล่ะ ไม่เหมือนพ่อเองนี่นาะมีไร่นาเป็นสิบสิบไร่ก็เลยไม่เดือดร้อนไม่ต้องเข้าป่าไปหาของป่าอย่างใครเขานะ่ะเอาเถอะถึงยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับยุงตามบ้านเราหรอกหลานหญ่จันไปโดนยุงในป่าต่อยเอาอสิมันจะได้เป็นใขรมาละเรียยังไงอะ่ะป้องกันไว้ก็ดีกว่าแก้หรือว่าพ่อเองว่ายังไงล่ะกนนี้ก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนี่นะอ้ไอ้ยิงไอ้เย็นเลยครับพ่อ แตยินแม่เองสั่งแล้วใช่ไหมดูมุ่งให้ดีๆ ด, ด้วยล่ะอย่าให้มีช่องให้ยุงมันบินเข้าไปกัดเองต่อยเองได้นะเข้าใจหรือเปล่าฮะเข้าใจครับพ่อเข้าใจครับอืมอืมพ่อเองอือไอ้ยิงมันจะเข้ากรุงเทพแล้วนะพ่อเองคิดยังไงล่ะก็จะให้คิดยังไงมันไปเพื่ออนาคตของมันเราเป็นพ่อเราเป็นแม่ก็จะสนับสนุนเต็มที่ล่ะ อีกอย่างไอ้ยิงมันมีความรู้มีวิชานะมีคนเอ็นดูให้การสนับสนุนมันก็อาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไปนะแม่นะอเออแม่เองก็เหมือนกันอะไรเหรอแม่เองจะต้องให้กําลังใจไอ้ยิงมันเต็มที่ด้วยนะอนะมันอยากได้อะไรถ้าไม่เหลือบากว่าแรงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของมันก็แม่ให้มันไปเถอะ แกก็ไม่ได้ขออะไรถามว่าอยากได้อะไรก็บอกว่าไม่อยากได้แต่ก็ไม่เป็นไรพอแกไปอยู่กรุงเทพอะแกก็จะรู้เองแหละว่าต้องการใช้อะไรมากโอ้ยเอ้ยปวดส้นเท้าจังเลยแม่เ อ, เอ้ยเออนี่วานนวดให้ขาหน่อยสิได้สิปวดสองข้างเลยเหรอโอ้ข้างเดียวแต่ถ้าหนวดสองข้างได้มันก็ดีนะ <c oughs> อืมส้นเท้าพ่อเองแข็งจังจะเอาอะไรคนทาไร่ทานาล่ะ ส้นเท้าก็ต้องเหนียวแล้วก็ด่านอย่างที่เห็นนี่แหละดีนะที่ส้นเท้าไม่แตกเออไม่แม้ปวดแรงๆอีกนิดนะเอ อ, เ อ, อตรงตรงนั้นแหละนานอีกนิดนึงนานมันต้องอย่างงาั้นเออดีมากแม่ดีดีดดคุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย n น t i ่ n e n นเตอร์เทนเมนต์ ไว้ให้โลกใบนี้มันหยุดไหวนาทีนั้นที่มีเรานนสุขเพียงใดยิ่งเราชอบอะไรคล้ายๆกันก็ทำนยิ่งฝันไป เกิดความหวังแหลกจะใครคนึที่อยากจะเจอเธอทุกวันมดวัน ไม่ส k ม n รเราแค่ห่างแคเพีมแต่กได้รักเธอนั่นคือของสำคัญกว่าและมันมีค่ามากกว่าสิ่งๆฉันขอสัญญา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 จะกลับมาบ้านอีกไหมก็ต้องมาสิบ้านเพียอยู่ที่นี่แล้วจะให้ไปไหนล่ะฮะก็เผื่อคุณครูให้ไปอยู่ด้วยแล้วพี่ยิ่งก็อาจจะลืมบ้านเกิดไปแล้วก็ได้เฮ้ยไม่มีหรอกพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นซะกันหน่อยนึงพี่ยิ่งสัญญาได้หรือเปล่าล่ะสัญญาว่าอะไรเหรอก็สัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่ยิ่งต้องกลับมาบ้านมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะเฮย แน่นอนเลยที่ต้องกลับมาแน่นอนพี่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่ที่นี่แล้วจะให้ลืมที่นี่ได้ยังไงล่ะเย็นมีพี่เหรออืมพี่ยิ่งเห็นพี่พวกนั้นเป็นพี่ด้วยหรออา้าวก็ต้องเห็นเป็นพี่ชายสิเพราะพวกเขาก็เป็นลูกของพ่อเราเหมือนกันมีสายเลือดเดียวกันกับพ่อแล้วจะไม่ให้เห็นเป็นพี่เป็นน้องได้ยังไงเล่าเะ แต่พวกมันไม่ได้เห็นเราเป็นน้องเลยนี่นาไม่จริงหรอกเย็นพวกเขาน่าจะปากมากไปหน่อยบวกกับพวกเขายังเป็นวัยรุ่นอารมณ์ยังร้อนอยู่ก็เลยพูดอะไรไปไม่ทันได้ตรึกตรองให้ดีเราเป็นเด็กอย่าไปถือสาพวกเขาเลยอีกหน่อยพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่เพราะมีทําตัวอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วละ่ะพี่ยิ่งแน่ใจเหร อ, อแน่ใจสิหรือยังไม่แน่ใจหรือไง ก็ผมเกลียดพวกมันเข้ากระดูกดำเชละถ้าผมโตกว่าพวกมันผมจะฆ่าพวกมันให้ตายหมดเลยเฮ้เอฮะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้อีกนะทำไมล่ะพี่ไม่สมควรพูดไม่ว่าจะยังไงก็ตามพวกเราก็าเป็นพี่น้องกันมีพ่อคนเดียวกันเราจะต้องรู้จักการให้อภัยกันเข้าใจไหมให้อภัยเหรอา พ, าพี่ยิ่งรักต้องให้อภัยไง รักให้อาภัยนั่นหรอพี่ยิ่งเอ อ, เออเออนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละรักอาภัยนั่นแหละจะพยายามทำให้ได้แล้วพี่ทำไมถึงทำได้ล่ะเพราะพระเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่าให้ลูกๆทุกคนรู้จักการให้มากกว่าจะเป็นผู้รับแล้วรู้จักให้ความรักให้อาภัยให้มากไม่ว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาก็ตาม ให้รู้จักให้อภัยกันน่ะอย่าได้ถือโทษโกรธแค้นกันเข้าใจไหมอาเมน <laughs> ดีมากน้องรักออผมง่วงน้อนแล้วพี่ยิงก็หลับตาสิหลับตาเดี๋ยวเดียวก็หลับแล้วล่ะครับพี่ นั่นทำไมต้นข้าวถึงหัวเราะได้ล่ะต้นข้าวตัวใหญ่นั้นเหมือนจะพูดได้ด้วยสิฮะฮะต้นข้าวเดินได้ด้วยพวกเจ้าตามเขามาทําไมฮะ พวกเจ้ารือว่าข้าถึงยังไงอยอะที่พวกเราไปเรนะอยู่กับพวกเราอับพวกเราช่ย้สายหน่อยนะพวกเจ้าคิดว่าข้าน่ะจะช่วยพวกเจ้าได้ยาง้นเหรอช่วยได้ใช่ไหช่วยด้พวกเราได้แน่นอน ถ้าไม่มีท่านพวกเราต้องตายพวกเราตายถ้นหนีไปที่พวกเราไปนี่พวกเจ้าเห็นความสำคัญของข้าถึงเพียงนี้เชียวหรือใช่แล้วเอย่านีพวกเราไปไหนเลยนะอยู่เป็นลมลใจเรา้าด้ด้วยนโปรดนี่ พวกเจ้าทำอะไรนะฮะถ้าท่านไม่ตกลงพวกเราจะโกงลาบนี้จนเขาตายเดี๋ยวพวกเจ้าพวกเจ้า กลับเขได้แล้วพอเถอะพอเถอะอย่าอย่างนั้นเลยอย่าถ้าอย่างนั้นท่านจะรับปากพวกข้า ด, วด้ว่ยจะปลุกข้าจะไม่ดีเป็นไหนจะอยู่เพื่อคุ้มครองพวกข้าตลอดไปจะ อ, อยู่เพื่อพวกขา้าทำไมก็ได้ก็ได้ไดข้าสัญญากับพวกเจา้ขาข้าจะเป็นคนดูลแล พ, พวกเจ้าเองข้าจะปกป้องพวกเจ้าเองข้าจะบรรเทาทุกข์หวังรุงสุขให้กับพวกเจ้าเอง พอพอพ อ, พอได้แล้วเริกคำนับให้ได้แล้วแค่นี้เขาก็ทราบซึ้งใจไม่จากพวกเจ้าไปไหนแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยต้นข้าวสิบอต้นคำนับต้นข้าวต้นใหญ่นั่นใหญ่เลยแล้วก็พูดได้ด้วยทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะนี่งงงไปหมดละ แล้วเรายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยยนี่ น, นี่นี่เราจะเดินไปทางไหนกันดีล่ะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยงั้นเสียงใครหัวเราะนะดังมาจัดของฟ้าดินะพ่อเองเว้ยดวงอาทิตย์หัวเราะได้ด้วยเหรอเนี่ยนี่เป็นอะไรกันนะนี่ท่านหัวเราะได้ด้วยเหรอได้สิที่ข้าหัวเราะเพราะองการจะทรงสัญญาให้ท่านรู้ว่าข้ามาเพื่อขอยกย่องท่าน ขอคำนับในความเป็นหนึ่งของท่านขอคำนับด้วยความเคารพนับถือไ <c oughs> อ้ไอ้ด้วยอาทิตย์คำนับเราเหรอเนี่ยด้วย <c oughs> อา้าวดวงจันทร์ก็ปรากฏตัวด้วยเหรอนี่ใช่แล้วข้าก็ข อ, ขอยกย่องความดีของท่านขอคำนับด้วยความเคารพด้วย <c oughs> <c oughs> นมันอะไรกันเนี่ยทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็คำนับเราเหรอเนี่ย เรางงไปหมดแล้วไม่จำไม่จำข้ามูดาบน้องนะพ่อขอนัด้วยความดีของแดนด้วยเยนันั่ดาวกี่ดวงคเนเนี่ยสิอดวงเลย่ะอะไรกันนะทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงจันทร์แล้วก็ดาวอี่สิบเอดวงต่างกันการคำนับเราหรอเนี่ย นี่มันเกิดอะไรขึ้นแลวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงล่ะท่านเป็นคนดีเป็นที่พึ่งของทุกคนได้ยังไงล่ะวางไปหมดแล้ว พี่ฝันไปหลกเหรอฝันเรื่องอะไรเหรอพี่เห็นพี่สะดุ้งยงฝันร้ายใช่ไหมล่ะอ๊ยเหนื่อยเลยอุ๊ยเหงื่อเต็มหน้าเลยหน้าอกก็มีด้วยพี่ถอดเสื้อนอนเหรอเออใช่ใช่เมื่อคืนเนีอากาศมันร้อนน่ะก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อนอนฝันอะไรมากอ่ะบอกได้มาอือเอาไว้พูดทีเดียวเลยดีกว่าพี่แล้วพี่ยิ่งจะพูดตอนไหนก็พูดกับแม่ พี่อยากจะรู้ความด้วยว่าสิ่งที่พี่ฝันนี่มันหมายความว่าอย่างไงฝันร้ายเหรอพี่ก็ไม่รู้สิบอกไม่ถูกจะว่าฝันร้ายก็ไม่เฉงนะเย็นเนี่ยยังนึกนึกดูเนี่ยยังงงไปหมดเลยพี่ฝันไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโเอ้ยก็ฝันยังไงมั่งล่ะเออเอาไว้ฟังตอนกินข้าวแล้วกันเอาลุกจากที่นอนแล้วเหรอพี่จะล้างหนะ้าแปลงฟันเลยอะ ขอลูกไปด้วยพี่คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่าน